Yup. อิทินตรีมูลกไนสองร้อยหอนุโลมปุจฉาอิทินทสีของผู้คลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินรีของบุ้คลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีของบุ้คลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินรีของบุ้คลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจาชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉา อิทินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินทตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรูปุจฉาชีวิตินทตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทินทตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิด ใจตินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธิ์ตินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธิ์ตินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมณตตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมณตกําลังอุบัติ อิตินรีก็บางคนเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมณตินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทถีเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณต์กำลังอุบัติอิตินทสีก็บางคนเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมณสินรียก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมณตินสีก็บุคคนใดในภูมิใดกำลังเกิดอิตินทรีก็บุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิทธิินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินรีขกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดได้อิทธิินสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทธิสินสีกบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดอุเปกสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม พิจัชนาะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินติไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิ์เกิดได้ได้มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเบกขินติก็กำลังเกิดปฏิโลมปุชชา อุเปกินสรีกับบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินตรีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติอุเปกินสรีกัมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธินตรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติอุเปกินสรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธินตรีก็กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นอเหตุตกะกําลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, น, นั้นกําลังเกิดแต่สัตทินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้และเป็นเหตุตุกะกําลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด และสัตทินสีก็กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาสัตทินสีเขาบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิตินรีเขงบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นเหตุุกกะแต่มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตทินรีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิตินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะได้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติ สัตตินตีก็บางคนเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินตีก็บางคนใด ใ, society, ในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินตีก็บางคนนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชฉนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุทธกาลังอุบัติอิทธินตีก็บางคนนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินตีไม่ใช่กําลังเกิด บ, บุคคลผู้มีอีทเกิดได้และเป็นยาณสัมปยุตกำลังบัตอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมมนั้นกำลังเกิดและปัญญตีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญตีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นยาณสัมปยุตแต่มีอีเกิดไม่ได้กำลังบัต ปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมยปยุตและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดได้อิทธินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทธินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะใช่ปฏิโลมปุชชา มณิณตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้อิถีเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิถีเกิดได้กําลังอุบัติมนิณตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธินตีก็กําลังเกิดอิทธินตียมูลกไยนิจจบ ปุริสินตริยะมูลกายนัย2 0งรอนุโลมปุจฉ้าปุริสินตรีของบุคคลใดในปมิใดกำลังเกิดชีวิตินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉ้าชีวิตินตรีของบุคคลใดในปมิใดกำลังเกิดปุริสินตรีของบุคคลนั้นในปมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ ชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําล exactly. ังเกิดแต่ปุริตินทร์สีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริตาเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริตินทร์สีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมาณตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจชนา บุคคลผู้มีปริจาเกิดได้จะมีจิตปราตจากโสมนัตกำลังอุบัติปริสินทส right ีของบุค AM AM คลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัตสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปริจาเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัตสินทรีย์ก็กำลังเกิดปฏิโรมปุชชา โสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปริสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัสกําลังอุบัติโสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปริสินทรียไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีปุริสชาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณัตกําลังอุบัติโสมณัตสินตีนนนนนนนน ก, กับบุคคลล่า น, น, นั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริสินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาปุริสินตีกับบุคคลใดในปุ่มใดกําลังเกิดอุเปกินตีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้มีปุริสชาเกิดได้จะมีจิตปราตจากอุเบขากําลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้และมีจิตเป็นเวขากำลังบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภู่มนั้นกําลังเกิดและอุเปกินสีก็กํากลังเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะ บุคคลผู้มีปุริตาเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริตาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ปริตินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตัดินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปริตาเกิดได้แต่เป็นอเหตุุกะกําลังอุบัติปริตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ตัดินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปริตาเกิดได้และเป็นเหตุุกะกําลังอุบัติปริตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและตัดินรียก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉา สัตต er, hmm? ินตีกับบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริตินทตีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุตุกาแต่มีปุริตาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตทินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปุริตินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเหตุตุกาและมีปุริตาเกิดได้กําลังอุบัติสัตตินรีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริตินตียก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชา ปริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญิตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีปริจาเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญิตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปริจาเกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญิตีก็กำลังเกิด ปฏิโรมปุจฉาปัญญินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นยานะสัมปยุตแต่มีปุริสจะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญิตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นยานะสัมปยุตแต่มีปุริสจะเกิดได้กําลังอุบัติ ปัญญิตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดได้ปุริสินตีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาปริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้ปริตาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มนินทร์สีของบุคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังเกิดแต่ปุริสินสียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปุริจเกิดได้กําลังอุบัติมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังเกิดและปุริสินรียก็กําลังเกิดปุริสินทรีมูลกนัยจบชีวิตินทรีมูลกนัย2 0งรอนุโลกปุชชา ชีวิตสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัตสินตีของบุคคลนั้นในปุ მ นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลมีจิตปราศจากโสมนัตกาลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตในประวัติการชีวิตสินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมนัตสินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกําลังอุบัติ ในยุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมพยุต ด, ด้วยโสมนัตในประวัติการชีวิตติณสีของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มนินั้นกำลังเกิดและโมชชสมนัตติณรียก็กำลังเกิดปฏิโลมปุชฌาโสมนัตตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดชีวิตติณรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่อนุโลมปุชฌาชีวิตติณสีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารณาบุคคลมีจิตปราจากอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบขาในประวัติการชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภุ่มนั้นกําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่สัมปยุจด้วยเบขาในประวัติการ ชีวิตินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดได้อุเปกขินตีก็กําลังเกิดปฏิโรอมปุชชาอุเปกขินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุรอมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตัดทินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จิทินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วศรัทธาในประวัติการชีวิตินทรีขกงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจิทินทรีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชา สัตตินตีกับบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตตินตีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นยาณวิปยุตกําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุตจากยาในประวัติการ ชีวิตินทร์ตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญตรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยยาในประวัติการชีวิตินทร์ตรีของบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญตรีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญตรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดชีวิตินทร์ตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาใช่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 และมนินตีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชามนินติกของผู้คนใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตอินติกของผู้คนนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตอินตริยมูลกานัยจบโสมณตินทริยมูลกานายสองอนุโลมปุจชาโสมณตินติกของผู้คนใดในภูมิใดกำลังเกิด อุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุรลมปุจฉาโสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตัดตินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัตและวิทีวิปยุตจากศรัทธาในประวัติการในโสมนัตสินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ตัดสินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัตและศรัทธาในประวัติการโสมนัตสินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและตัดทินทรียก็กำลังเกิด ปฏิโลมปุชชาสตินรีของมุคนใดในภูมิใดกําลังเกิดโมสมณัตสินทรีของมยคล น, นั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นเหตุตุกกาแต่มีจิตปราศจากโสมนัตกาลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธด้วยศรัทธาและที่วิปยุทธจากโสมนัตในประวัติการสตินรีของมุคนเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โมสมณัตสินรียไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกาลังอุบัตในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมป ย, ยุทธด้วยศรัทธาแต่โสมนัตในประวัติการสัจทินตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสมนัตสินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาโสมณัตสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญิตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธแต่มีจิต เป็นโสมณัตกำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัตและที่วิบปยุตจากญาณในประวัติการโสมนัตสินติของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญติไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัตและยานในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัตและย า, นายในประวัติการ โสมนัตสินตีก็มุคคอลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญิรียก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาปัญญิรีก็มุคคุณใดในภูมิใดายกำลังเกิดโสมนัตสินตีก็มุคคุณนั้นในภูมิ น, นันนนน้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นญาณสัมพยุตแต่มีจิตปราศจากโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทขคณะแห่งจิตที่สัมพยุติญาณและที่วิปยุตจากโสมนัตในประวัติการ ปัญญินรีก็มุคคเหล่านั 8, nah. いい้นในภูม IR ินั是是้นกําลังเกิดแต่โสมณตินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญานสัมปยุตและมีจิตเป็นโสมณตกาลังอุบัตในอุปาทขณาแห่งจิตที่สัมปยุตด้ยญาณและโสมณตในประวัติการปัญญินรีก็มุคคเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสมณสินรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมณสินทรีก็มุคคใดในภูมิใดกําลังเกิด มณีตีกับผู้คนนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามณีตีกับผู้คนใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัตสินรียกับผู้คนนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัตกาลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนัตในประวัติการ มณีสีก็มุกคนเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัตสินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาถะขณะแห่งจิตที่ทำปยุทธ์ด้วยโสมณัตในประวัติการมนีสีก็มุกมคนเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมณัตสินสีก็กำลังเกิดโสมณัต ส, สินธริยมูลกนัยจบอุเปกินทริยมูลกนัย2องพ อ, อนุโลมปุชชา อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดตัดทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นเหตตกะและมีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยเบขาและวิธีวิปยุทธจากศรัทธาในประวัติการอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ตัดทินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบขาและ เป็นสเสหตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ด้วยอุเบกขาและศรัทธาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกำลังเกิดและสัตทินสีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินทรีของบุคคลใดในปู่มใดกำลังเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้เป็นสเสหตุกะจะมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติ ในยุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยศรัทธาและที่วิปยุตจากเบขาในประวัติการสตินรีขับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกกาและมีจิตเป็นเบขากำลังบัตในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตได้วยศรัทธาและอุเบขาในประวัติการสตินสีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกินรีก็กำลังเกิด อนุโลมปุจฉาอุเปกินติของบุคคลใดในปู่มใดกําลังเกิดปัญญิติของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธ์มีจิตเป็นเบคขานกําลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยเบคขาและที่วิปยุทธ์จากยานั้ในประวัติการอุเปกินติของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินติไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีจิตเป็นเบคขากําลังบัตดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยเวคขาและญาณในประวัติการอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นกำลังเกิดและปัญญินรีย ก, ก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มีจิตปราศจากอกุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยญาณและทิวิปยุตจากอกุเบกขาในภาวัติการปัญญีรี่ขุมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินรี่ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยญาณและอุเบกขาในภ า, าวะติการ มันอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอุเบกินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมันอินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามันอินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาในประวัติการมนินทรีย์ามบุคคเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยอเบกขาในประวัติการมนินทรีข้ามบุคคเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกขินทรีก็กำลังเกิด อุเบกขินตริยมูลกานายัยจบสัทินตริยมูลกานาอิสองอยสิบอนุโลมปุชชาสัตถินสี่ขุมบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินรี่ขุมบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นสเหตุกาแต่เป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติในอุปาทกาณาแห่งจิตที่สัมยุตได้ศรัทธาและทิวิปยุตจากยานในประวัติการ สตินตีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญิตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสหตุกะและเป็นญานและสัมบุญกาลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่สนนัมยุญได้ตัทาได้ยาในประวัติการสตินตีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญิตีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญิตีก็บุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด สตินตีเขาบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสัตทินตีเขาบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมณิินตีเขาบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนิินตีเขาบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินตีเขาบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นอเหตุกตุกรรมังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากตธาในประวัติการมนินทีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตตินตียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะกรรมังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วมปยุตได้วยัทธาในประวัติการมนณีตีก็บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัตตินรียก็กำลังเกิดสัตตินตรีมูลกายน จบปัญญตริยะมูลกนัย2องรอนุโลมปุชชาปัญญตรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมณินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินตรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นญานวิปยุตกําลังอุบัติ ในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยาในประวัติการมนิณีตีของบุคคลเนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญิตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมยุญกําลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมยุญ ด, ดียาในประวัติการมนณีตีของบุคลเนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญิตีก็กําลังเกิดปัญญตริยมูลกนัยจบ ปัจจณีกับบุคลคลจกขุนตริยะมูลกนัย2องรอนุโลมปุจฉาจกขุนสี่กับุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินรี่กับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจะครูเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กำลังอุบัติจกขุนสี่กับุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินสี่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีโสตะและจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตินตีเขาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจักขุนตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจักขุนตีเขาบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีเขาบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้มาคานะเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนตีของบุคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด謝謝บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจากกูและคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานิ น, น, นตีก็มไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุชชาคานินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคนานะเกิดไม่ได้จากกูเกิดได้กําลังอุบัติ คานินตีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จกักขุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและจักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินรีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจกักขุนตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอ น, uh <worlds> อนุโลมปุจฉาจักขุนตีกับบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิตินรีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้มีจักขูเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ จากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิถิ้นตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจ้ากูและอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนตีของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิถิ้นตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาอิจิ้นตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้จะคูเกิดได้กำลังอุบัติอิตินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุนตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติบุคคลมีอิทธิและจะคูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิตินตีกับบุคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจักขุนตีกับบุคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริตินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้ผมีจักรกเกิดไม่ได้ปุริตาเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีก็มกุลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริตินศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักรกูและปุริตาเกิดไม่ได้ดกำลังอุบัติจากขุนศีก็มกุลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุชชา ปริสินตีก็บุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีกบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจตชนาบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้จากขรูเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังยุติบุคคลผู้มีปุริจาและจากครูเกิดไม่ได้กําลังอุบัตปุริสินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาจากขุนตีกับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีจากครูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติจากขุนตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉา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 บุคคลผู้มีจ้าขู่เกิดได้จะมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีกองบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จกักขุนสีมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุดติบุคคลผู้มีจ้าขู่เกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีกองบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจกักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุทธา จากขุนศีก็บุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกิณศีก็บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติจากขุนศีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกิณรีมีใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้และมีจิตปัจจากอุเบขากำลังอุบตัติจากขุนศีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แล้วอุเปกขินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกขินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิเัชนาบุคคลผู้มีจกักรเกิดได้แต่มีจิตปราตจากอุเบขากําลังบัตอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนสีมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคบคลผู้มีจะกู้เกิดไม่ได้ได้มีจิตแปลศจากอุเบขากำลังอุบัติอุเปกขินสีเขงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนสีเขงบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากทินสีเขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจะกู้เกิดไม่ได้แต่เป็นสาเหตุการกำลังอุบัติจเปกขินสีเขงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักทินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้และเป็นอเหตโตกะกําลังอุบัติจกักขุนสีเขงบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดได้สัตทินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตทินรีเขงบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจกักขุนสีเขงบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นอเหตโตกะแต่มีจกักขู<ม>่เกิดได้กําล <communauté> ังอุบัติ สัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้เป็นเหิบตุกาและมีจักขรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิ ด, กกก ด, ดกปัญญิน ร, รีของบุคลลบคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจะครูเกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติจากขุนศีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจะครูเกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุตกำลังอุบัติจากขุนศีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชา ปัญญีตร์ก็บ ENNIS, ุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนตร์ตร์ก็บุคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจักขู้เกิดได้กําลังอุบัติปัญญีตร์ก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนตรไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีจักรู้เกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญีตร์ก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด ได้จากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนตรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินศรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้แต่มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติจากขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินศรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จกักขุนศีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนิณีศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโรมปุจฉามณีศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจกักขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่จกักขุนทริยมูลก า, นายนิจจบ